ข็โอกาสอาจารย์ยูกิผู้เป็นประธานสงฆ์อโอกาสคณะสงฆ์เจริญปวงอย่างแม่จีบาจอกภาษกาท่านตอนนี้มีคนไทยกี่ค น, นยกมือเนี่ยคนไทยที่ฟังภาษาไทยออกยกมือยงสงยงโสงแสดงว่านอกนั้นเป็นชาบต่างชาติ ก็คนไทยก็ฟังภาษาไทยต่างชาติก็อาศัยคลื่นเสียงคลื่นเสียงที่มากระทบที่หูมันมันจะบอกถึงแหล่งสั่สะเทือนว่าการวางใจพูดพูดด้วยอารมณ์ พอใจไม่พอใจเขาเป็นเพื้นเสียงที่ฟังดูแล้วดูอบอุ่นมันก็จะสัมผัสได้อยู่การไม่จะทรมันเป็นการใช้ธรรมชาติที่มีอยู่ต้องไปนอกไปใน สติรู้นอกมันก็วางนอกสติรู้ในมันก็วางในเป็นสติปัฏฐานสติเห็นนอกเมื่อวางนอกสติเห็นในมันก็วางในมันก็มีความว่างทั้งภายนอกทั้งภายในเรียกว่าปกติจิตใจมันต้องมีที่พักที่อยู่คือปกติแต่า ก, การที่จะให้เกิดความเป็นปกติขึ้นมา ก็ต้องเอาสิ่งที่เป็นมรรทินเครื่องเศร้าหมองที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเราคือความไม่รู้เอาออกไปความรู้แต่รู้ไม่ถูกก็ อ, ออกไปหรือแต่สัมผัสที่มันเป็นจริงๆเป็นสัจจะความจริง โดยไม่ต้องใช้สมองใช้ความคิดตรงนี้จึงเกิดกรรมวิธีนะเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเป็นการเคลื่อนไหวนะต่อในหัวเลรตเท้าหรือ ว, ว่ารู้ตัวสัลพางกายมันเป็นความรู้สึกที่ตียิบนะที่เกิดขึ้นละเอียดประณีต เป็นความรู้สึกตัวที่ถูกฝึกตั้งแต่หยับๆก็ตบสัมผัสรู้สึกจะนั่งมาละเอียดเกิดการผ่อนคลายเป็นการใช้กายอย่างผ่อนคลายอันนั้น เ, เรียกว่าสินสินก็คืออาการที่ผ่อนคลายกายที่ผ่อนคลายคลายออกไม่ยึด ผูมัดรัดตึงวาจาที่คายออกคลายก็เกิดจากจิตที่มันผ่อนคลายนั่นแหะจิตที่ปกตินั่นแหละเวลาเคลื่อนมือมันก็ต้องผ่อนคลายวางกายคลา ย, ใ, ลายใจก็เหมือนกันก็เป็นธรรมดาธรรมดากลาง เราจับจุดนี้ได้อ๋อเศีเศรษีมันอยู่ตรงนี้เราเห็นสภาวะของศีีคือความเป็นปกติเรามีอาการตั้งมั่ น, นตั้งมั่นหมายถึงการกำลังรู้รู้ถูกแล้วก็มีความต่อเนื่องมีความต่อเนื่องไม่หลุดไปง่ายๆลอยไปตงหู ทางตาทางจ ม, มูกทางลิ้มลิ้นรดหรืว่าสัมผัสอื่นๆที่ไม่ใช่สัมผัสที่เกิดจากการเคลื่อนกันไว้ที่เราเจตนาลอยและอ่อนนี่คือการตั้งมั่นแล้วจิตก็มีความเป็นปกติก็มีความตั้งมั่นเราก็จะเห็นสภาวะที่มันตั้งมั่นถูกที่ก็คือมันมีบ้านอยู่ความเป็นปกติ แล้วมัก็อยู่ความเป็นปกติมันก็สบายอยู่ที่บ้านฝนตกก็ไม่เปียกแดนออกก็ไม่ร้อนมีชายการมีที่หลบเจอสุขมันก็ไม่สะเทือนเจอทุกข์มันก็ไม่หวั่นไหวไม่เห็นอาการที่มันขุ่นอาการที่มันขัดแยง้งอาการที่มันมีตะกอนอาการที่มัน เผาร้จิตใจจิตใจมันก็รู้แล้วนานั่นะคือทุกข์บางแม่บอกไปรับสภาวะมีแต่กำหนดรู้อันนี้มันก็เป็นตัวปัญญาไว้ไปเป็นเของการอยู่กับโลกโดยไม่ต้องมีปัญหาใจ ช, ชีวิตยังมีความสะดวก รู้จักที่จะทำห น, ทหน้าที่หน้าที่ต่อกายต่อใจหน้าที่ต่อวตัตถุหนึ่งสสามบุคคล 1, 2, 3สหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมรวมรถกินเสียงปัฏาตรมารมหรือว่าสมมติปัญญัต่ตางๆเห็นเป็นความจริงความจริงของสมมติดีก็คือสมมติ ไม่ดีก็คือสมมุติแล้วแต่คนจะสมมุติกันไปมันจะมีศีลสังคมศีลสังคมกับศีลที่เป็นประมัดศีล ส, สมมุติกันอย่างเช่นชุมชนเนี่ยเราก็สมมติกันให้คนล้างสารพิษนอนตรงนู้นแล้วของเราก็มานั่งอยู่ตรงนี้ทำวัดสวดมนต์กันเพื่อแยกกันชัดเจน ไม่ให้มันเดือดร้อนแรือว่ามีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้คือศีล น, นั่นเองเหมือนกับพระกับผีนะพระหมอผีก็อยู่ในวงสายศีลไม่ได้แต่หากว่ามันเป็นลนักษณะของหมอผีตัวปลอมหมอผีตัวจริงก็ต้องอยู่ในวงสายศีลมีศีลกำกับ ส่วนผีก็ยังอยู่ออกนอกวงสายศีลไปผีจะมีหน้าที่หลอกล่อสร้างความหวาดกลัวก็ต้องอยู่ข้างนอกคราวนี้หมอผีก็ต้องมีวงสายศีลสายศีลก็คือศีล น, นั่นแหละหมอผีส่วนใหญ่ก็มีศีลมีธรรมไม่กินเนื้อสัตว์ทําแต่ความดีคิดดีพูดดีทดําดีมีแต่ความดีมีมนมีคาถา เสร็จแล้วก็ผีเข้ามาก็ร้อนพอใจศีลมันเป็นสิ่งที่ต้องนะประพฤติปฏิบัติทวนกระแสกระแสของผีมไหลสู่ความเสื่อมขิวหลอกหลอนมีความโลภนะมีความโกรธนะแต่ว่าผู้ที่ใจปกตินะก็จะต้องมีความเป็นปกติ มันถึงเกิดคุณธรรมต่างๆมากมายศีลเป็นบาตานนำไปเกิดสมาธิศิลเป็นบาตรฐานนำไเกิดปัญญายาณศีลนำไเกิดการวิมุตติพ้นในท้ายสุดเราจึงเห็นความาแปลกแยกกันระหว่างตัวปกติกับความไม่ปกติเวลาเรารู้สึกตัวนะี่มันเป็นการปรับการโจร ตัว ก, กลางที่มีการเคลื่อนไหวเนะี่ยมันปลับให้จิตสู่สมดุลให้จิตของเราเกินสู่ภาวะปกติเราจึงเลือกได้วาสนาคิดไปนำไปสู่ลักษณะของการเดินทางสู่การพ้นทุกข์เราเคยสร้างวาสนาตามวิธีคิดมามากมายเช่น ฝันว่าจะมีความสุขฝันว่าจะมีความสวยฝันเอาไว้ว่ามันแน่นอนที่สุดของเราของเราจนเกิดการห่วงเกิดการห่วงหึห่วงหวงหาหิวหอยเดียวแห้งหดอูมันเป็นปฏิยาที่เราก็จ้าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเที่ยง เราเห็นเป็นความสุขเป็นความสวยเป็นความเทียมแท้เป็นความเป็นตัวเป็นต้นต่างๆแต่พอเราไปเห็นความจริงก็คือสภาวะของผู้ดูที่มันดูแล้วก็เห็นจริงเหล่านั้นตามความเป็นจริงเราเห็นธรรมะนะเห็นธรรมะการเห็นธรรมะคือเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเนีเห็นการเคลื่อนไม้เคลื่อนมือเห็นการคิดการพูดการทํา เราเห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นตัวเราเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจมเห็นสภาวะทิมกำลังปรากฏเป็นธรรมชาติจริงๆโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องฝันอย่างเพราะฉะนั้นความคิดนะจึงเป็นสภาพธรรมที่จะต้องถูกรู้ถูกเห็นคิดเป็นกุศลคิดเป็นอกุศลมันก็ต้องมีวิชากรรมฐานอารูปแบบวิธี ปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงสภาวะของผู้ดูโดยการสัมผัสรู้ลงไปปิดมือรู้สึกตัวเคลื่อนไหวหยุดก็รู้สึกตัวการเดินจงกรมก็รู้สึกตัวทำกรตื่นยอนหลับล้างหน้าแปรงฟันก็รู้สึกตัวเป็นการฝึกหัดให้สติมันก็อยู่เป็นสมาธนะิตั้งมั่นถูกต้องต่อเนื่องจะมีผล ทำอะไรก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งปลูกต้นไม้เพื่อได้รับประทานผลของผลไม้มันก็ต้องออกยอดออกกิ่งก้านสาขาออกดอกถึงออกผลแล้วก็ผลเล็กเป็นผลใหญ่จนสุกีมันก็ต้องใช้เวลามันไม่ใช่วันเดียวเพราะนั้นปฏิวัติธรรมนี่เราไป อยากได้ผลโดยไม่ทำเหตุมันก็ฟ้าน้ำเหลวหรือว่าไปคิดรู้มก็เสียเวลาปฏิบัติธรรมันต้องมีการสัมผัสลงไปจริงจ ม, มีการแสดงออกมีการกระทาลงไปเป็นภาคการปฏิบัติปฏิบัติคือกลับมาหาความรู้เนะื้อรู้ตัวรู้สึกทางกายรู้สึกฐานเวทนารู้สึกฐานจิตจิตมันคิดก็รู้เท่ารู้ทัน รู้สึกกับธรรมชาติต่างๆที่มันมีอยู่จริงๆโดยไม่ปฏิเสธหรือไม่ด่วนรับเข้ามามันก็เป็นวิสัยที่จะไม่เกิดการสังเกตปรากฏการณ์ตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็จะเห็นความจริงเป็นพระไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดดับมันคว้าเอาไม่ได้จะไปยึดเอามันก็ไม่ใช่นะ มันก็จึงเกิดการกรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ปล่อยวางขึ้นมามันก็เลยเป็นการว่างเป็นความว่างขึ้นมาทั้งนอกทั้งในดูนอกก็ว่างนอกไม่มีตัวตนที่ยึดไปรับรสชาติของโลกมันเป็นกริยาอาการดูไปก็เป็นสักตวว่าเห็นก็สักตัวว่าเห็นมันก็จะเป็นอาการที่บอกเราอยู่ว่า สภาวะของความไม่ทุกข์เนี่ยมันมีอยู่จริงๆในความรู้สึกตัวมันมีความไม่ทุกข์อยู่จริงๆในความเป็นปกติมันมีความไม่ทุกข์อยู่จริงๆสติน้อยมันก็ไม่ทุกข์น้อยเมื่อมีสติประญานมากๆเจริญสติมากๆมันก็ไม่ทุกข์มากๆมันก็จะเป็นจึงเป็นคําตอบของผู้ปฏิบัติมันก็จึงเป็นเรื่องของ ศรัทธาความเริ่มใสความเชื่อของผู้ที่ปฏิบัติเมื่อทําแล้วมันไม่ทุกข์เราก็ศรัทธาการปฏิบัตินะมันเป็นความสุขที่มันต่างจากที่เราเคยยึดเอาวัตถุอิงอามิธต่างๆเป็นอามิธ ส, สุขเป็นวัตถุนิยมเป็นบริโภคนิยมเป็นสังคมนิยมเป็นจารีตประเพณีต่างๆแล้วก็ไปยึดเอานะ ชาทั้เป็นล้วนะของนิลามิสุขเราก็เห็นแล้วว่าความสุขมีอยู่ในตัวความเป็นปวงเตียมคือความสุขตรงนี้เราก็ยึดถือเอาแต่ว่ามันก็จะยึดถือเอาตลอดเนี่ยไม่ได้เพราสภาพธรรมต่า ง, งๆมันเกิดดับอยู่ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน เป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดตามเหตุตามบัตใจเราก็รู้เท่ารู้ทันด้วยปัญญาเพราะนั้นปัญญาก็จึงใช้ผ่านผ่านอาการต่างๆที่เกิดทั้งภายน อ, อกทั้งภายในเป็นวัตถุอาการปรรมัดเห็นเป็นปรรมัดก็ผ่านทันทีมันก็จึงเป็นภาษาที่จะต้องเข้าถึงอาการในขณะที่เราปฏิบัติ ขนานี้เลยไม่ต้องรอขนาดไหนตาเราก็มีขณะ น, นี้หูเราก็มีขณะ น, นี้จมูกก็มีขนาดนี้ลิ้นหรือว่าสัมผัสความรู้สึกคิดนึกต่างๆก็มีอยู่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นการกลับมาหากายหาใจรูปนามกันห้ามก็ขณะนี้เหมือนกันเป็นปัจจุบันอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตมันก็ยังไม่มา ปัจจุบันนะัคือโลกงความเป็นจริงที่เราสามารถที่จะไม่ทุกข์ได้ขนาดนี้ทันทีถูกคําที่รู้สึกตัวรู้เท่ารู้ทันอาการหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่วางปลากรดขึ้นมาโดยเฉพะวิชากรรมาฐานการเคลื่อนไหวรู้สึกกระดิกนิ้วรู้สึกกับพิษตาหายใจรู้สึกวิชานะมันเป็นวิชาที่ทําให้เราเห็นความจริงยริ ง, ง, ง, งมีความแตกต่างเมื่อพื้นที่สองพื้นที่มีความแตกต่างเราก็สามารถที่จะเลือกได้ ออกไปข้างนอกมันร้อนตากระทบมันก็ร้อนทางตาอิชาตาร้อนหูฟังมก็ร้อนทางหูมัก็เกิดอาการอารมณ์ต่างๆเราก็เลือกได้รู้สึดตามตะวันต่างๆมารู้สึกตามตะวันต่างๆเห็นสวายเห็นได้ยินก็นสั่งว่าได้ยินสัมผัสก็สั่งว่าสัมผัส เป็นความรู้สึกตัวที่ละเอียดปานนิดมันเป็นภาคทิพย์มันไม่ใช่ภาคหยาบภาคหยาบนี่ต้องให้เกิดความคิดการปรุงการแต่งเป็นอารมณ์ก่อนโตๆก่อนแต่ภาคละเอียดเนี่ยมันเป็นเรื่องการกระทบสัมผัสภายในที่จิตของเราสามารถรับรู้ทางวิญญาณได้มีจิตมีวิญญาณสติสามารถริรู้ในจิตในวิญญาณได้ การกระทบสมัมผัสที่มันเป็นผัสสะละเอียดกระทบรู้สึกปล่อยทันทีกระทบรู้สึกปล่อยทันทีภายในมันเป็นเรื่องของสติพาไปสติปัญญามานํำไปมันก็เลยเป็นวิ น, นัยนี่วินัยที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่เข้าไปในโลกไม่จมไปในโลกของโลกิยธรรม ไม่เป็นอาการที่ต้องเสพบติดทางตาทางหูทางจ ม, มกูกทางลิ้นทางกายทางใจมันเป็นกระบวนการปลดปล่อยสู่ิสภาพเป็นลรืนะ่องของอิสระทางจิตวิญญาณที่อยู่ในแดนของศีลในแดนของธรรมเรียกว่าวงสายศีลนั่นแหละตรงนั้นนะความเป็นปรมจันท์ความเป็นพระปรากฏขึ้นไอันนี้ไม่ต้องให้ใครชี้นะ แต่ว่าจะปลากฏขึ้นมาจากภายในใจของเราเองเราจะรู้ว่าเราเป็นพลาได้นอนหลับฝันมันก็ยังเป็นปลาอยู่ตื่นขึ้นมามันก็รู้อยู่การเคลื่อนตัวนั่งเดินยืนนอนอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษเราจะแยกแยะได้ด้วยปัญญาของมันเองอันนี้ก็เกิดจากการเคลื่อนกันไหวรู้สุดตัวรู้สุดตัวหนึ่งเดียวนี่แหละความรู้ตัวจึงเป็นทั้งศีล ความรู้สึกตัวจึงเป็นทั้งสมาธิความรู้สึกตัวจึงเป็นทั้งปัญญาความรู้สึกตัวจึงเป็นสติปัฐานสี่ฐานเป็นทั้งรู้ที่กายรู้เวทนารู้จิตรู้ทังตรงแรกนะมันจะเป็นมรรคเป็นผลเป็นทั้งสัมมาทิฏฐิเป็นทั้งสัมมาสังกัปปะเป็นทั้งสัมมาวายามะเป็นทั้งท้ายสุดก็คือลงด้วยสัมมาสติสมาธินั่นแหละมันเป็นเรื่องเดียวที่ นักกรรมฐานจะต้องได้สัมผัสนะโดยที่ไม่ต้องรู้อะไรมาก่อนแล้วเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวสังเกตอย่างเดียวว่ามันมีความเป็นกลางหรือไม่ผ่อนคลายหรือไม่ถ้ามัมีความเป็นกลางมีความผ่อนคลายแล้วก็สัมผัสรู้สึกตรงนั้นละถูกทางทําให้ต่อเนื่องหนึ่งวัน2วันสามวัน4ี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันเนี้ยมันจะต้องมีผลแน่นอน เหมือนหลวงปู่เทียนปฏิบัติอยู่สองวันมีผลเกิดขึ้นมามันเกิดปัญญาแบบทะลุทะลวงขึ้นมามแตกฉานขึ้นมาเห็นโลกเห็นธรรมเห็นธรรมที่อยู่คู่โลกที่นั่งสั่งสอนญาตโยมตั้งแต่ตอนเป็นโยมเลยเป็นกะะว่าสอนงะปีก็แ8ดเดือนอย่างเงี้ยเราก็ควรเอาแบบอย่างกันนะเดี๋ยวนี้จะมีการเดินทางนะผมและธรามากายญาณสมใจจะไปภูเก็ต เช้านี่แหละหลังทาทิ่ทำวัดหลังจฉาพูดจบนี่แหละนะกล็ไปอยู่สี่วันแล้วก็กลับมาก็จะมีกลุ่มที่สุขโตนะก็คาดว่ากลุ่มรุ่นนี้ก็ประมาณ80สิขึ้นนะ90บเรือจะถึงร0อคนช่วงนี้ปิดเติมพ่อแม่ก็จะพาคนรบกนรธิดาเข้าวัดเข้าวาวรพรมธรรมะนะเป็นครอบครัวคนก็จะเยอะนิดหนึ่ง กลุมล้างสารพิษพวกนี้ก็เดิมน้ํามันมะกอกเสร็จคืนนี้ก็พวกนี้ก็ทยอยกันกลับแล้วล่ะ ว, วัดก็จะโล่งว่างทีนี้มันก็จะมีงานซ้อนของหลวงพ่อเขียนที่วัดภูเขาทองถ้าใครไปช่วยท่านได้ก็ไปช่วยนะพระสงฆ์เจ้าอะไรก็ตามไปช่วยเพราะว่าพระกรรมฐานเนี่ยมันไม่ว่างงานกันหรอกอาจารย์นอจันทร์ตุ้ก็ต้องไปที่อื่น มีกิจมีงานที่เขานิมนต์จะต้องไปพาเข้าปฏิบัติธรรมกันเพราวันถึงเราจะไม่ได้ไปไหนอยู่ที่นี่ก็ต้องเรียกว่าสนใจใส่ใจปฏิบัติกันอย่างเรียกว่าสุดฝีมือให้มันสุดฝีไม้ไลายมือของเราเมื่อทําถึงที่สุดแล้วไม่รู้อะไรก็ไม่ต้องไปโทษใครก็แล้วกันนะโทษว่าสติปัญญามีอแค่นี้เบื่อวาสนามีแค่นี้นนนจริงๆ จะลอยกี่พบ ก, กี่ชาติตึงจะได้มาสัมผัสเรื่องแบบเนี้่อันนั้นเป็นเรื่องของวิสัยของใครของเราแล้วที่จะอกลับมาประเมินตัวเองมันผิดพลาดตรงไหนมีการยานารมิตรดีหรือไม่มีการทําใจอย่างแยบคายแยกแยะรู้ถูกรู้ผิดรู้เห็นรู้ผลรู้อะไรควรอะไรไม่ควรหรือไม่รู้ว่าเป็นสมมนาสาระโลกอย่างไรหรือว่าเป็นนักปฏิบัติทำอย่างไรหรือไม่ยังงี้ก็เราสังเกตที่ตัวเรากันน แล้ก็ท้ายสุดก็คือเราหมองที่จะทำตรงไหนเราก็ไปอยู่ตรงนั้นกันแต่ ว, ว่าทำกายทำใจของเราทำกิจทำจิตของเราให้เป็นบรรยากาศที่มันมีพลังในตัวเราก็คือพลังของการเดินทางสู่การพ้นทุกข์อินทรียนะ์าพระห้าให้ปลากฏขึ้นมาหลังจากนั้นนะเมื่อกลับมาแล้วนะคือหลวงพ่อท่านก็อยู่ที่วัดภูเขาทองนะตลอดนะ หรื อ, อาจจะไปไ ป, ไปมามาถ้ารู้ว่าที่นี่ไม่มีพระอยู่ท่านก็จะไปไ ป, ไปมามาของท่านแล้วก็อยู่ที่นี่ก็ย า, ยามปฏิบัติธรรมกันพรุ่งนี้คนจริงก็จะเดินทางกลับประเทศของเขาแล้วทีแรกตั้งใจว่าเมื่อกลับมาจากโคเกนจะมาพาคนจีนปฏิบัติต่อสักเจดวันคือเห็นก็ข้ามน้ําข้ามทะเลมาแลเห็นอกเห็นใจก็เหมือนกันเห็นว่ามาเราควรได้รับประโยชน์สูงสุดนี มันก็เป็นการทํางานนะเห็นคนทุกข์เรือเกินกพยายามที่จะมาปฏิบัติธรรมเลือเกินแลโดยเฉพาะการฝึกสติปัฏฐาน4นีนะในแนวเคลื่อนไหวนะอยู่ที่นี่มา14 15ปีก็เห็นหลายคนเนี่ยพอมาแล้วมันก็หลุดไปทํากิจกรรมอื่นหมดเลยแล้วพอหลุดไปทํากิจกรรมอื่นปั๊บมันก็เลยเข้ากรรมฐานไม่รอดคนเคยทํางานล้มเหลวมาพอมาที่นี่ก็เปิดก็ไก่ทำงานก็ทํางาน พอทำงานเต็มที่ก็เกิดความสึกเออสึกไปทํางานดีกว่าก็สึกไปทํางานกันอันนี้น่าเสียดายบางทีญาติโยมเหมืนอนกันปรมาถึงเจอตัวปฏิบัติพอเจอตัวปฏิบัติปฏิบัติเองไม่ได้ขาดครูบาอาจารย์ขาดการยานมิตรก็ย้ายไปที่อื่นที่หมายถึงว่าเรายังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆ เ, เห็นแล้วมันน่าเสียดายแต่ก็ทําได้แค่นี้ละก็คือพยายามพูดนะ ชี้แจงแล้วก็เชิญเชื้อชวนปลุกเล้าให้เราได้กลับมาหาความรู้สึกที่ฐานกายจริงๆให้เหมือนกับที่หลวงปู่เตียนท่านไปทำสองวันท่านรู้เรื่องเลยท่านทำยังไงท่านก็ไม่สนใจในการพูดคุยมีคนคนหนึ่งเกยมีบุญคุณกันมาก่อนตอนสมัยเป็นโยมนะเป็นคนที่สร้างอาชีพชี้นำเรื่องการทำมาหากินจำทังหลวงปู่เียนมั่งคั่งร่ารวยขึ้นมา ก็ยังเป็นบุญคุณกันอยู่พอไปปฏิบัติไปเจอกันมันก็ชวนกันคุยนะเสร็จแล้ววันหนึ่งหลวงปู่เทียนก็เห็นว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วการพูดการคุยมันเสียเวลาเราตั้งใจที่จะมาจับการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องวันนี้ท่านก็เลยตัดสินใจหนีจากเพื่อนไปเดินจงกรมอยู่ที่คันนากลางแกลางแจ้งมีแดดเผารันเกล้ า, าพะกมะโพ้ขัว อันนี้เรับรู้ข้อมลมาอย่างนั้นจากําพูดที่หลวงพู้เทียนพูดไว้ในซีดีเราเห็นอหลวงพุทเทียนนี่ท่านมีความรามับผิดชอบต่อการปฏิบัติธรรมท่านปลีกไปเดินคนเดียวแล้วก็มีผลของการปฏิบัติภายในสองวันหรือว่าหลวงพ่อเขียนนะท่านพยายามที่จะนองตัวเองไม่พูดไม่คุยขนาดมีคนมาขอได้ขอเข็มท่านกำลังนั่งปฏิบัติอยู่เนี่ยนะ มีคนมาขอได้กระเข็มไปเย็บผ้าท่านก็รู้แล้วว่าเออมีคนมาชวนพูดชวนคุยขอเข็มท่านก็นิ่งหรือรู้รู้สึกตัวแล้วก็ไม่พูดแล้วก็ตั้งใจฟังว่าเขาต้องการอะไรเสร็จแล้วก็ไปหยิบเข็มก็ได้มาให้ส่งให้ปับ๊บแล้วก็ไม่สนใจไม่พูดไม่คุยต่อแล้วก็มานั่งปฏิบัติอย่างเงี้ยนะท่านใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะ 21วันแล้วท่านก็สามารถที่จะแกะออกไปรูปเป็นยังไงทามนามเป็นยังไงนะแกะออกไปมีสติรู้รูปรูปรป้นามนะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2ปีกับ8เดือน7เดือน8เดือนท่านพูดไว้ประมาณนี้นันนระหว่างเถึงแเดือน2ปีกับ7ถึง8เดือนหลวงพ่อเทียนเคยพูดไว้าสามปีใช่ไหมหลวงพ่อคำเขียนบอกว่า2ปีกับ8เดือนหลวงพ่อจบกิจ มันหมดเนื้อหมดตัวคิดอื่นที่จะทําไม่มีแล้วปฏิบัติจนตั้งรู้ทั้งหมดในแง่มุมของพุทธศาสนาในแง่มุมของความทุกข์ในแง่มุมของธรรมะที่มีอยู่ที่องค์สมเด็จสัมมาวุตร้าได้ชี้นำแล้วก็สืบทอดกันมา 2,600 ปีท่านไม่ได้มีความสงสัยอะไรต่อไปในเรื่องของพุทธศาสนาอยากรู้เรื่องบุญอยากรู้เรื่องบาป อยากรู้เรื่องทุกข์อยากรู้เรื่องการดับทุกข์มันทํำยังไงวิธีการนี้หลวงปู่เทียนจิตรพจน์สามารถที่จะสอนได้จักรพาตัเองไปหากูบาอาจารย์ตันตีไปดูปฏิปทาไปดูสัมมาปฏิบัติไปดูธรรมธรรมานุปฏิบัติไปดูกิจวัต ร, รประจํำวันอย่า ง, งเห็นทุกซอกทุกมุมไม่รู้ทรมารแต่ตอนหลังมาดูตัวเองเมื่อลุงปู่เทียน ถามว่ารู้สึกตัวไหมเนี่ยจับมือเขยา่าหลวงพ่อปุเขียนนั่นบอกว่า ร, การู้สึกเมื่อเรารู้สึกโอ้มาทําอย่างนี้หลวงปู่เทียนทําตอนอายุสี่สิปีกราอายุไม่ถึงสามสิบปีมีความรู้สึกว่าเราเนี่แข็งแรงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก่งฝ่าหลวงปู่เทียนท่านก็มีมาหน้าในทางที่จะให้ตัวท่านเองเนี่ยปฏิบัติทำให้กําลังใจตัวเองอย่างนีจนตั้งท่านมีความสําเร็จ จนตั้งสํานักให้เราได้มาใช้อยู่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าปฏิปทาของครูบาอาจารย์หรือว่าท่านมีล้านหน้านิสัยอุปานิสัยของครูบาอาจารย์เราก็ถือเอานิสัยล่านหน้ามาทําน้อมมาใส่ตนอย่างนี้นบูคาเราทําวัดสวดมนต์มันมีคําบอกคําสวดคําสอนนะเราฟังดูแล้วประโยคนใดมันเกิดกําลังใจเราก็น้อมเข้ามาใส่ตนแล้วก็นําไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างนี้น ก็จะทำให้เราไหลแล้วก็หลุดไปทางร่องรอยที่เป็นกระแสสู่มรรคผลผนิพพานอันเนี้ยนะอันนี้เพราะนั้นวันนี้ก็ให้กำลังใจหรือว่าผู้ธรรมะสู่ฟังตามสมควรแก่การปฏิบัติก็ขอให้เนะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะมองกข้ามาใส่ตนเดี๋ยวว่าประเด็นที่ว่าสร้างความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องวางกายวางใจให้มันรู้สึกว่าผ่อนคลายหรือว่ามีความเป็นกลาง แล้วก็ปลื้ิเวกอยู่กับตัวเองฝึกหัดในรูปแบบให้มากหรือว่าพยายามที่จะช่วยโอกาสเก็บตกทุกๆกิจกรรมตอตื่นยันลับจนทั้งมีสภาวธรรมที่มันเป็นร่องรอยที่เดินทางอยู่ถูกต้องไปสู่กระแสของมรรคผลนิพพานหรือว่าความเป็นปกติจิตก็ปรากฏจริงๆขึ้นไปโดยตัวหน้ากันทุกท่านทุกรูปทุกนามเธอ